ให้กลับวัดคนไหนผ่านไปสิวันไม่ได้อารมณ์รูปนามก็แสดงว่าไม่มีใจไม่มีศรัทธาอยู่ไปก็จะเสียเวลาก็ให้กลับวัดไปสองรูปก็เหลืออยู่สิบเก้าทันหมดยี่สิเว็ดรูปนะสำหรับญาติโยมก็ให้สมัครใจเอาคนไหนจะอยู่อาศรมที่นั่นคนไหนจะมาที่นี่ก็ได้แต่ที่นี่จะมีะข้อ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 รับผิดชอบตัเองเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ที่เข้าใจหลักอภสษนาแล้วก็จะปล่อยให้ศึกษาแต่ว่าก็รักษาเวลารักษากติกาแต่คนไหนที่ยังเป็นสมถะอยู่เราก็ให้ไม่ให้หลับตาหรือไม่ให้นั่งแช่เพราะสมถะนั้นจะนั่งแช่นั่งแบบทะลุเวทนานนเรียกว่าสมถะเอาเวทนาเป็นประกัน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 สีสมทธิปัญญาก็เกิดตรงนั้นเองโดยการแปลงโนะดยการแปลงสีสมทธิปัญญาให้เป็นอตัตวสภาวะแต่ถ้าเราแปลงเป็นสีสมธทธิปัญญาไม่ได้มันก็จะออกมาเป็นรากเหง้าของอคุศลนสามอย่างความพอใจเป็นรากเหง้าของราคะความไม่พอใจก็เป็นรากเหง้าของโทสะความไม่แน่ใจก็เป็นรากเหง้าของโมหะก็เชนนะ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 ถูกต้องแล้วนี่เราเอาน้ํารถดินเดี๋ยวต้นไม้มันก็เกิดขึ้นเองแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ต้นไม้ที่เราต้องการก็ได้ <c oughs> <laughs> เราจะปลูกผักอะไรนะเอาดินรดน้ํนาแน่นอนดินไม่ต้องชุ่มแ น, น่นอน่ะแต่เราจะปลูกผักอะไระหรือว่ า, าให้ต้นไม้มันเกิดขึ้นเองนะใช่ไหมการปั้นทูกดินก็ถูกแ น, น่นอนนั่นเองก็เราก็ทําความรู้สึก้เป็นพื้นฐานนะ ความรู้สึกเป็นพื้นฐานก็ อ, อยากจะให้เราได้ความรู้สึกโยมพี่คุณมาหาปฏิบัติั้งแต่ปีสองเก้านะแล้วก็ไปศึกษากันมาเรื่อยๆอ๋อนรือคุณริืมไปแล้วเห็นได้ไปแจกยมอาตมาอย่างอีช้ายอยู่เลยคุณเอาน้ำร้อนมาหินตอนร้อนไม่ก็ท่าเลยเอาแก้วมา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 ถ้าเราไมา่เรามาปฏิบัติไม่ใช่เพื่อค้ามหมายนี้แล้วการปฏิบัติก็ไม่มีความหมายอะไรเป็นความเสียเวลาความเพอ้อเพ้อฝันความคลั่งไคล้อะไรเช่นอย่างหนึ่งไม่ใช่ความจริงนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เป้าหมายเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรมาปฏิบัติเพื่อที่เราจะใช้สุขใช้ทุกข์ให้เป็นเมื่อสุขมาเราก็ไม่หลงเพลินเมื่อทุกข์มาเราก็ไม่กลัวเราก็ไม่หนี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 <laughs> อยู่ที่นี่สบายแต่กลับไปบ้านไม่สบายอาหารไม่ดีดนตรีไม่ไพเราะเหมือนที่นี่อีกแล้ว <laughs> อยู่ที่สำนักอาหารดีดนตรีไพเราะสบายด้วยวันทํ้นไม่ทุกเลยนะไม่มีปัญหาอะไรนะกลับไปบ้านก็ห่วยหายอยากกลับมาอีกแล้วนยแสดงว่าไม่ได้ปัญญาแนละ้วนั้นก็ให้เกิดตัวยึติดได้นะถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ต้องให้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 อ๋อน่นเนี่ยถามอยู่ตรงนั้นในนั่นไงในถานั่นไงข้างหน้าคุณนั่นเองคุณเปินเออสองคนนะคน B. เอคนบปคน A เอค น, นไหน <laughs> แล้วแต่รักตประกันตลอดเ ว, วลาหรือประกันไปบางคราวอืม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 เพราะว่าการฝึกสติเนี่ยเพื่อให้เกิดอะไรให้เกิดสัมปััญญาเมื่อเกิดสมัญญะก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมน ะ, ค, ะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้มันทำให้เกิดปัญญาได้อย่างไรเมื่อเรามีความรู้สึกตัวทั่วพรอ้อมหรือสัมปััญญาเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะพิจรารณา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 ญญสมัญญและปัญญาตัวไหนเป็นตัวไหนสมาธิสัมปชัญญะและปัญญาอีกครั้งนี่ไหมคร<ถ>ับสติทำหน้าที่อะไรในกระบอกไฟายสติทำหน้าที่อะไรยมแบตเตอรี่ฮะเพราะไฟสายมีสี่องค์ประกอบใช่ไหมใช่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 อันนี้ก็สร้างด้วยมือของท่านเหือนเนะี่ยเห็นนะเสายังเป็นทอ่อนปท่อนทอ่าก็จับเอาทอ่อแต่เราท่อมาต่อกันนะทอ่ออะซิเ็นทอ่อน้ําเนี่ยจับมาต่ อ, ต, อต่อกันเป็นท่อนเสาอะ่ะอโดยไม่ต้องเอามาหลอกก็ทาสีเข้าไปหน่อยก็มันไม่เห็นนะหินศิลาแรงนี่ก็ต้องมาต่อยเองนึกวันดะ้วยนะอันนี้ก็ไอ้ข้าวนางังนั้นก็จับท่อมา ต, ต, ตั้งตั้งตั้งเทปูนทับก็เป็นผนงังภายในตัวเลยน ะ, ะไม่ต้องไปใส่เหล็กใส่อะไรยากเพราะฉะนั้นก็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 พรามันเห็นตลอดแต่ถ้าเราเผลอเมื่มไรทุกไปไงมาทันทีดังนั้นที่เราปฏิบัตินี่เพื่อที่จะเห็นตัวเผลอตัวเพลินให้เป็นก่อนเออเวลาเราโดยโด ย, โดยสัญชตาตญาณคนมันชอบสบายใช่ไหมพอสบายแล้วก็ไปติดใจเพราะติดใจก็เ พ, พลินเพรเพลินแล้วก็เผลอเพราเผลอก็ทุกทุกกลับมาเพลินกลั ม, มาหาความสบายใหม่พอเสพความสบายสักพักเนื่องจากปัญญายังไม่คงที่เนาะแล้วก็เผลออีก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 ตัวไตรละกณเกิดนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นตัวของทุกโดยตรงหรือเป็นเหตุให้เกิดทุกเป็นตัวของทุกโดยตรงแต่ถ้าจะเป็นเหตุของเกิดทุกนี่ก็คือว่าใจเราไปยึดไว้แล้วมันก็เป็นเหตุของทุกนแสดงว่าไตรลักนี่เป็นเรื่องของรูปเป็นเรืของกายโดยเฉพาะเลยไม่หลีกไวี่ยงเข้ากับใจค่ะถ้าเราถ้าเราเข้าไปยึดเพราะฉะนั้นไตรลักษณงไม่เป็นสมุทัยค่ะเป็นตัวของทุกโดยตรงนะค่ะอ่า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 นั้นได้ค่อยสรุปไม่ว่ากลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางจิตหรือจิตเป็นก่อให้เกิดทุกข์ทางใจากายอ่าเราจะได้คําติมที่แท้จริงต้องมาวิเคราะห์ตัวนั้นก่อนว่ากายทุกแต่เวลาเพราะมันเป็นทุกโดยทุกเองอแต่ใจมันเป็นสมูทเป็นที่เกิดสมูทัยเพราะฉะนั้นเป็นทุกเป็นบางครั้งเ<อ>มื่อมีสมูทยัยจึงเกิดเป็นทุกเมื่อไม่มีสมูทยัยใจก็ไม่ทุกใช่ค่ะนั้นเราจะทันว่าตัวสมูทยัยคือความอยาก ที่อยากให้ความสบายคงที่ไม่อยากจะให้ความสบายเกิดขึ้น <Okay. S 1> ใช่ไหมใช่ น, นั้นคือเป็นเหตุละวเพราะมีความอยากนั้นนันใครเป็นเหตุของใครเออ <Please. S 1> ชักแขลมาขขมาแล้วชนะักแขลมมาแล้วว่าใครเป็นเหตุของใครกันแน่ได้เป็นเหตุที่แท้จริง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 สี่ส่วนก็แล้วกันห้าสิบเปอร์ซนเจ็ดสิห้าเปอร์เซ็น้อยปเ็ความคิดของผู้รดดับอารมณ์รูปนามก็ควบคุมได้แค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นรู้เท่าทันแค่ยี่ห้าปเซ็นความคิดของคนที่ได้รู้นามรูปก็ได้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นคงพิทูนได้รู้ปรมัดได้อีกห้าได้อีกยี่้าเปอร์็นไป็ดสิบห้าปอร์เซ็นคนรู้ที่ไปรู้การเกิดดับไปร้อยอร์เซนารู้เกิดดับของสิ่งทั้งปวงเหมือนก็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 แฟนเรแทนแทนเขาเอฟีเป็นอะไรมาหรือเปล่าเขียนหรือเปล่านว่นน้ำาขนกใจเหมือนกันนั้นก็ขอให้เราได้นำไปศึกษานะสำหรับช่วงเวลาที่เหลือนี้จะพาทัวร์ป่าสักรอบหนึ่งเนาะแล้วหลังจากนั้นใครจะแม้เขาม่ได้ช่วงที่สองเนี่ยใครจะสมัครที่นน้นที่นี้ก็ก็แล้วแต่นะ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 ลืมสติหรือสติเรียว่าตัวเห่อเกิดมาจากทุกขเวทนานนตัวเหอนนจะมากกว่าตัวเพลิ น, นตัวเพลิ น, นี่พอเราสบายนี่หน่อยเราเสพปั๊บก็จะเพลินตัวเหอนนคิดที่จะบ่อยกว่าตัวง่วงหรือตัวขี้เกียจน่ะก็เบื่อ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 ก็ลปล่อยวางได้ <c oughs> นี่คือประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้เป็นก็นการในทุกสถานการณ์ mm hmm. เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นไปตามผฎของไตรลักษณ์มีได้แต่ะเวลาจะมากคีอน้อยจะเร็วหรือช้า mm hmm. ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเพราะนั้นการปฏิบัติของเราจึงไม่ไร้ผลก็มีผลแต่ประการสำคัญก็คือว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยเราเอาไปใช้เป็มไหม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 มันขึ้นรดน้ํำทุกวันเมื่อ ท, ทําท่ายะตายอยู่เรื่อยใช่ไหมีม่หมายความว่าเราจเจริญสติจริญสมาธิปัญญาในท่ามกลางของคนที่ไม่สนับสนุนไม็ให้กําลังใจไม่ช่วยไม่เกิดความอยากเลยอะ่ะมันมีแต่จะดึงลงดึงเราลงตรงนี้แหละ <c oughs> เรียกว่าเราปูกผักในหน้าแรงปูกตัวไม้หน้าแรงนอกจากจะลดนาำใส่ปุ๋ยแล้วอยาไม่ค่อยรอดเราทําท่าจะตายอีกใช่ไหม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 น, น, น, นี่เนื้อซี้าเนีวัดนี่นใครต้องการมาปลูกต้นไม้ในเนื้อซฮาเนีต้นไม้โตอ่านี่คือในส่วนหนึงมาโดยเฉพาะเพราะนั้นเราจรึงเรียกพระสงฆ์ว่าเนื้อนาบุญของโลกบุญจักษเขตต่างโลกไปสักมายถาว่าใครมาปลูกไม้ต้นไม้ในลักษณะของขออกมาศึกษาแบบนี้มันโตวไวสิ่งวันแล้วมันช่วย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 แต่จะคุยเรื่องอะไรมือสิตัวมือสิตัวโยงคนหนึ่งมาปฏิบัติแต่มาแล้วกลับไปบ้านไปจะไปไปจะไปนั่งรอได้ขายของมันก็ไม่ใช่ว่าคนจะเข้าตลอดใช่ไหมในช่วงไหนที่คนไม่มาก็นั่งสร้างยังวะเป็นจงกรมสองตายายผัดกั น, นก็ปรากฏว่าคนเข้าร้านดีๆเนะี่ยตื่นขึ้นมาก็ทำไว้สวดมนต์ อขนาดแกมาอยู่วัดแล้วคนก็าถามหาเอ๊ะไปไหนไม่เห็นเปิดร้านเลยจะให้หลานขายแทนเลยยังได้ขายอีกเลยเพราะ <c ười> <c ười> ใหญ่ลันเลยใหญ่ยูงจาได้ไหมเพราใหญ่รันใหญ่นะว่านั้นงานนี่เพราใหญ่วันน้าไม่จะไม่จะมาเนีะยปรากฏว่าตาไม่ดีไปรักษาตาพราใหญ่รันก็เลยรักษาบ้านไม่ได้มา <c ười> เออก็ดีนะแดี๋ยวเขาเป็นคนจริงจงังตั้งใจทั้งสามีภรรยาตื่นขึ้นมาก็เหมือนพระ memorial.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 อาจัดกิเลสนะอันนั้นเรื่องนี้จึงไม่เป็นอุปไรสักต่อการใช้ชีวิต้ว่กรทํางานทั้งโลกถ้าเรารู้จักนะแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่อย่างที่ได้กล่าลวด้ว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่เอือ้อทีเราเข้าไปในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นนะโดนแล้วก็โดนเผาคนนั้นดุนคนนี้ดุนหนึ่งนะในบ้านเราสิบคนเหมือนไฟสิบดุน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 ตรงนั้นมาอิสระแตสบายเนีทางเลือจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วกันรักแบบไหนก็เลือกนั้นนะสบายต้องมองอย่างนั้นนะเรารถมารับหรือจะเดินไปเองเดินจุกลมกัเดินจูงกลมี่ อะไรแล้วรถกลับไปแล้วเหรออ๋อไปทาทาไมอาหารมนเยอะๆอาหารมาให้หลวงพ่าเยอะๆหมดเนี <c oughs> เ่ยก็ร่มารถไม่มาก็ดีเราจะได้เดินจงกรมกันนะ <c oughs> อ, <c oughs> อะไรน ะ, ะรนะนะเออ <c oughs>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 พุทธังพระวัญตังอาภิวาเดี๋ิสวัคตุวะพระวะตาธัมโมธัมมังนัมสาลิสุปฏิปันโนะพระขวะตัวสาวกสังโฆ สังขังนามามหาอิอาบน้ำมังก่อนนะใครจะไปดูค่ายด้านนี้ก็ข้ามไปเลยไม่ต้องกราบแล้วพอแล้วไม่ต้องกราบกราบพระหมดพอแล้วมีอาอบน้ำของบริสการด้านนี้ถ้าไปอาบน้ำห้วยไปด้านน้นนะแต่จะนอนก็หาที่อยู่เอาเอง